ก็ความเจริญในธรรมจุมีแท่านผู้ฟังทัง้งหลายแต่ร่มโพธยาณในวันนี้จะตอบคำถามของนักศึกษาสถาบันราชพัฏจงังหวัดนครราชสีมาจะ <c oughs> ถามว่าการที่ทำบาปในชาตินี้คนในชาตินี้ก็ต้องรับกรรมแต่บอกว่าอาจจะข้ามชาติไปให้ในชาติอื่น หนูคิดว่าถ้าทำกรรมในชาตินี้ก็ควรชดใช้ในชาตินี้ถ้าํำชาติไปให้ในชาติหน้าคนที่ไปเกิดใหม่เขาก็ต้องใช้กรรมโดยไม่รู้ว่าตัวเองทำกรรมในชาติก่อนไ้หนูคิดว่ามันไม่ยุติธรรมโดยทำกรรมในชาตินี้ก็ควรชดใช้ในชาตินี้ให้เสร็จไม่ควรยกกรรมไปในชาติต่อไป้อนี้ให้ลองคิดดูอย่างง่งายๆก่อนนะครับ สมมติว่าพ่อไปเป็นหนี้เขามาแล้วก็ไม่ทันได้ใช้หนี้พ่อก็ตายถามมาธายาต้องใช้หนี้หรือเปล่า เ, าเช่นเดียวกันคือกรรมที่เราทำนั้นเราทำในต่างกรรมต่างวารคกันคือบางทีมันก็ให้ผลไม่ทันเราตายซะก่อน แล้วก็กรรมเนี่ยมันอยู่ที่จิตนะฮะจิตเป็นตัวสะสมกรรมเอาไว้ผลจิตเนี่ยมันก็ไปเกิดก็เป็นจิตของคนนั้นแหละจะนายกอฆ่าคนตายก็ต้องชอดชายบาปกรรมซึ่งอยู่ภายในจิตสะสมอยู่ภายในจิตนายกอไปเกิดเป็นนายขอนายคอนายงออะไรก็ตามนะแต่ว่าจิตมันก็คือจิตเติมของนายกอนั่นเองแต่เป็นกระบวนการที่เกิดดับต่อเนื่องกันไปแต่นั้นเอง จิตก็สะสมไว้ทั้งกรรมทั้งวิบากของกรรมไว้ภายในจิตเพราะเมื่อเขาเกิดเป็นนายขอนายคอนายงอเนี่ยเาก็ต้องชดใช้กรรมรอบนั้นในส่วนดีก็เป็นอย่างนั้นในส่วนไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับพระเวสสันดรทั่งบารมีมาแล้วก็เจ้าชายธิดาถะได้ผลจากบารมีของพระเวสสันดรเนี่ยคือแสดงเห็นว่า พระเบสันดอนก็จะาชายิตตฐานนั้นมีความต่อเนื่องถึงกันในแง่ของกระบวนการแห่งกรรมและสังสารวัติไม่ถึงกับแยกเดียวออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ถึงกับเป็นคนเดียวทั้งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าในส่วนประกอบที่เป็นดินน้ำลมไฟอากาศนั้นเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าส่วนจิตนั้นก็เป็นจิตที่สืบต่อกันไปสืบต่อพพชาติกันไปนั่นเองเป็นกระแสะคล้ายๆกับอย่างเี้ย ค่าๆก็จุดไฟขึ้นในที่ใดที่หนึ่งเราไฟมันลาหม้ไปสมมติว่าไหม้ไปสักกิโลหน่เนี่ยฮะตลอดทั้งหมดที่ไฟไหม้นั่นแหละเราต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าสืบเนื่องมาจากไฟแต่เราจุดขึ้นกระบวนการของกรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นที่หนูพูดเน่ยสิมันไม่ยุติธรรมคน้ายเนี่ยคนที่ทําความชั่วก็ต้องไม่ได้รับผลชั่วเพราะว่าตายไปก่อนแล้วก็ยกเลิกกันเนี่ย ซึ่งว่ากันตามความจริงแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของกรรมที่เขาได้กระทาเอาไว้ข้อถัดไปถามว่าพระพุทธเจ้าอ๋อก็ถามแปลกนะท่านคิดว่าวงเล็บผู้หญิงแบบไหนสวยที่สุดก็คงไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างนะคนนะ ว่าอย่างที่โบราณท่านบอกว่าคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตคือไม่ได้เกณฑ์รูปร่างเป็นเกณฑ์คนดีก็สวยที่สุดอะคนที่งามกิริยามรนญาตมีความเป็นผู้ดีเนี่ยจะหนุ่มจะสาวจะแก่จะเล็กจะผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นสากล แต่เจ้ากำหนดด้วยรูปร่างกำหนดด้วยการประดับตกแตง่งมันก็ไม่เป็นสาโกนคือแสดงว่าคนจนก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนดีได้หรือว่าคนที่รูปร่างไม่สวยก็ไม่สามารถจะเป็นคนดีได้แต่ว่าความสวยเนี่ยมันต้องสวยจากนำใจมันไม่ใช่สวยที่รูปร่างหน้าตาข้างนอกเพราะว่ารูปร่างหน้าตาข้างนอกปรเดี๋ยวมก็งอมนะครปเดี๋ยวก็แก่ชะา อยู่ไม่ได้กี่วันหรอกชีวิตเนี่ยมันอยู่ไม่ได้กี่วันมันก็แก่งอมเพราะจะลาไปเพราะมันก็ไปสนใจความสวยงามภายในใจดีกว่าเราสามารถสร้างสรรค์พัฒนาประปรุงขึ้นมาได้อย่าไปติดใจเรื่องความงามจากภายนอกเลยเพราะว่ามันก็เป่วยหน้าเหมือนกันนะนะฮะทั้งคนสวยทั้งคนไม่สวยวก็ป่วยหน้าเหมือนกันก็ร่างกายก็เป็นที่สะสมหมักหมมของสิ่งปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นถามว่าพระพุทธเจ้าพูดภาษาอะไร พระพุทธเจ้านั้นทรงแตกฉานในนิรุตติปฏิสัมพิธาแล้วก็สเสด็จเผยแผ่ศาสนาไปหลายแคว้นนะฮะเจ็ดแปดแควนะ้นด้วยกันแคว้นก็ใหญ่ๆมากนะแคว้นในอินเดียเนี่ยแต่ละท้องถิ่นมันก็ภาษาก็แตกต่างกันแต่พระเจ้ากษัตริย์ก็รู้เรื่องได้ทั้งหมดก็แสดงว่าก็ทรงใช้ภาษาตามท้องถิ่นที่พระองค์เสด็จไปเผยแผ่หมายความเขาพูดภาษาอะไรกันก็เผยแผ่ด้วยภาษาตรงนั้น พระวิจาไม่เคยปรากฏว่ามีล่ำนะคราแสดงว่ารับสั่งได้หลายภาษาซึ่งไม่ใช่แปลกอะไรนะคนทุกวันบางคนกี่พูดได้ทั้งสิบกว่าภาษาก็มีพูติเจ้าท่านจัดสรู้แล้วก็ท่านก็ก่อนที่จะเสด็จออกพนวก็ศึกษาแตกฉานในภาษาในรุติศาสมาแล้วและบรรลุในรุติปฏิสัมพิธาด้วยเพราะงั้นภาษาภาษาที่เราสมมติว่าอยู่ในแคว้นมคธเนี่ยภาษามาคธีก็มาก พอไปแพร่ผ่านอื่นมันก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามท้องถิ่นที่เสด็จไปเผยแพร่ศาสนาท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้จะทําให้ประเทศพ้นวิกฤตได้หรือเปล่ารัฐบาลก็เพิ่งเข้ามาเจ็ดแปดเดือนนั้นเองไปจะเอาอะไรขาวก็ทําอะไรได้ดีเยอะแล้วนะฮะโดยจะเห็นว่ า, าเรามองด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เอาตัวเองก็ไปเกี่ยวข้องไม่เอาพรรคเอาพวกอะไรก็ไปเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีฝีมือแล้วก็เป็นความหวัง ว่าโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็มีข้าวมีนิมิตหมายที่ดีปรากฏขึ้นในเห็นหลายๆทางด้วยกันแต่ว่าการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันต้องให้เวลาเขานะคืออย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ยนะมันไม่ใช่วัน2วนสวันจะทำได้แต่น้อยหนึ่งปีเหมืองกับผู้ว่ากรทอมอนะให้เพื่อนมาอยู่แต่สิบป เดือนแต่นั้นเองนะฮะจะเอาอย่างงั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่า ง, งน้มันทำได้อย่างไงเรางานนะ่ะงานบางเรื่องเนี่ยแม้แต่ตัดถนนสายเดียวในสามปียังไม่เสร็จนะเราพูดเป็นเล่นไปเราต้องเข้าใจระบบงานนะฮะงานรัฐบาลเป็นงานของชาติเรื่องใหญ่มากเพราะในความเปลี่ยนแปลงจะาเปลี่ยนแปลงแบบพูดปลารดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องค่อยเป็นค่อยไป เขาไปเจ้าสงสัยในเรื่องการทำบุญในการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติก่อนจะทำอย่างไรและจะรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราได้รับส่วนกุศลหรือยังเจ้ากรรมนายเวร น, นั้นเป็นภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันหมายความว่าเราเคยเรื่องเกินเข้ามาแล้วเขาก็ปลูกอาฆาตปยาบาทจองล่างจองพรานเราเพราะฉะนั้นเราก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แก่เขา เพื่อเขายุติการจองร่างจองผานคือไม่เบียดเบียนปฏิสรายกันก็มาที่เราก็ทําไปนะฮะคือตามปกติแล้วถ้าถ้าเป็นจริงอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเขาหายโกรธเขาก็ยอมรับการขออภยัยแตาไม่หายโกรธมันก็ต้องว่ากันไปต้องว่ากันไปเรื่อยๆแหละก็จนเ ข, าข้าก้าแต่เขาจะหายโกรธแต่ว่าเมื่อเขายุติการจองเวรจองภยัยในแง่ของเวรภยัยมันก็สงบ แต่ในแง่ของบาประกรรมมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้ทําอย่างไรจึงจะเรียนหนังสือเก่งคือการเรียนหนังสือเก่งเนี่ยที่จริงต้องอ่านมากฟังมากคิดมากศึกษามากค้นคว้า ม, มากนะปัจจุบันในสื่อในการเรียนรู้เรามีมากแต่เรามีความสนใจตั้งใจมากน้อยก็สามารถประสบความสําเร็จได้แล้วแต่ประการที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่า ในการเรียนหนังสือทุกวันเนี่ยเด็กไปชอบนั่งอ่านหนังสือหน้าจอรสท้า์บ้างสวมชาวบ้าวบ้างอะไรอะไรละคงวิทยุบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยความเพลงไปบ้างเนี่ยจะทำให้พลังสมาธิที่จะใช้ไปในการศึกษาเรียนเนี่ยไม่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอเพราะงาั้นถ้าจะเรียนให้ได้ผลดีจริงๆเนี่ย เวลาอ่านหนังสือนั่นทำใจให้สงบเกวกับหนังสือแล้วตาดูตัวหนังสือปากก็อ่านออกเสียงไปแล้วหูก็ฟังเสียงตัวเองแล้วก็ใจก็กำหนดข้อความในหนังสือไปถ้าทำได้ทั้งสี่อย่างเนี่ยต <c oughs> าดูฟังปากอ่านใจกำหนดประสิทธิภาพในการอ่านการทําความเข้าใจกับหนังสือก็จะดีขึ้นแต่ว่าต้องทาต่อเนื่องนะั่ะหน่อย ก็ต่อไปถามว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือจะมีวิธีใดให้นะข้าพเจ้าเรียนหนังสือเกรดดีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเป็นคนละเรื่องเดียวกันคือคนขี้เกียจเรียนหนังสือเกรดมันจะดีได้ยังไงมันต้นมีเหตุผลโดยตัวของมันเองเพรา ะ, ะถ้าเราต้องการเกรดดีเราต้องมีอิธิบาทในการศึกษาโรงเรียนเราต้องทุ่มเทเวลาชีวิตไปจริงๆนะฮะก็เรียกว่าเวลาเจ็ดสิบเปอร์ซ็นตของชีวิตเนี่ยต้องทุ่มไปกับหนังสือเลย เว้นจากกินจากนอนจากพักผ่อนจากอาบน้ําจากแปรงฟันอะไรต่ อ, อไรเนี่ยฮะยกยกเว้นไปในส่วนหนึ่งอ่านหนังสือต้องอ่านวันต้งเป็นชั่วช่วโมงหลายหลายชั่วโมงแล้วก็ทํางานศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์วิจัยทุ่มเทจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องทำเล่นๆหรอกเพราะว่างานต่อไปเราจะต้องรับผิดชอบสูงถ้าหากว่าในการอ่านหนังสือเราอาร่านเยอะแยะเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าโอกาสต่อไปเนี่ย ประสิทธิภาพจากการศึกษาเรียนรู้ของเราจะอ่อนแล้วพอเอาไปทํางานในประสิทธิภาพจะต่ํามันก็มีปัญหาย้อนกลับมาหาตัวเราได้เวราะจะต้องสมบูรณ์ในอิทธิบาต ท, ทั้งสี่ประการคือฉันทะพอใจในวิชาที่เรียนในบรรยากาศในตัวครูในตำหนักตานาในความเจริญก้าวหน้าและ ว, วิริยะเพียรพยายามมุ่งมั่นอ่านแล้ว อ, อ่านอีกค้นคว้าแล้วค้นคว้าอีกสอบถามแล้วสอบถามอีกปัจจุบันในเครื่องไม้เครื่องมือมันเยอะ แล้วก็จิตตะมีจิตใจมุ่งมั่นต้องรู้ต้องได้ต้องเป็นต้องเข้าใจมีวิมังสาใชา้ปัญญาพิจารณาสอดสองเทียบเคียงมองส่วนที่คล้ายกันมองส่วนที่ตรงกันข้ามมองส่วนที่แปกเพี้ยนมองส่วนที่เหมือนกันให้เห็นในเรื่องเหล่านั้นแล้วคิดออกไปได้หลายๆเรื่องนะฮะคือไม่เอาไม่ใช่เรียนหนังสือแบบแข็งทื่อไปอย่างเดียวไม่ได้คิดต่อไปจากเรื่องที่เราเรียน ก็ต่อไปถามว่าพระเจ้าต้องการเลิกสุราพระอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนําวิธีค่มจิตใจเพื่อเลิกสุราให้สําเร็จได้ก็ชาติด้วยสุรามันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยมันเป็นน้ําธรรมดาเนี่นะมันอยู่ในร้านแล้วเขาปิดขวดปิดจุกไว้แข็งแรงด้วยนะมันไม่ได้วิ่งหมาเราเราวิ่งไปหามันแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นน้ํำเฉย มันมีอานาจอิทธิพลอะไรเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนรักษาไว้ไม่ได้แต่เนปล่อยน้ําสุรามันสะกดจนต้องเป็นทาสของมันเรื่องนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดแลพะพวกสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นเรื่องจิตใจที่อ่อนแออ่อนไหวสร้างอุปาทานขึ้นมาเป็นตันหาุปาทานอยากเลียดอยากยอยากดอยากยึดอยากยึดแต่ผลท้ายบอกถ้าขาดสิ่งนี้จะกินสิ่งนี้ไม่ได้ขาดสิ่งนี้จะทําสิ่งนี้ไม่ได้ ไม่ได้สู่บุรีอ่านหนังสือหัวสมองไม่แล่นใดแต่ในเทศทั้งนั้นเนี่นะเป็นสร้างอุปาทานขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นเรื่องสร้างปัญหาติดยาเสพติดจนปัญหาปัญหายาบ้าปัญหาที่ก่อการอารว่าต่างๆแล้วมีข่าวเกือบทุกวันแล้วเดี๋ยวนีนะ้มันไม่ไหวแล้วเพราะในจิตใจเข้มแข็งไว้ตัดใจเลิกปั๊บเลยเอาสุรามาวางไว้แล้วไม่กินลองดูมันทําอะไรเราได้มั้ง มาวางไม่อย่างงั้นแนะ่ะแม้แต่คุณรินใส่แก้วเข้าไปแล้วตะกรุดมายกขึ้นดื่มดื่มคุณไม่กลืนนะฮะมันก็ไม่เข้าไปทําอะไรคุณได้หรอกมันอะไรกันนักหนาแกเรื่องสุราแต่นั่นเองคนเรามีเรื่องจะต้องต่อสู้อีกเยอะมาแพ้แค่สุราแพ้แค่บุหรี่แพ้แค่ยาบ้ามันก็เสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไปเยอะแล้วก็เรียกร้องให้เขาคุ้มครองศักดิ์ศรีของตัวเอ ง, ง, องก็ตัวเองไม่คุ้มครองศักดิ์ศรีตัวเองไอ้คนอื่นเขาคุ้มครองได้ยังไง เหตุใดเยาวชนในปัจจุบันจึงชอบเที่ยวใจแตกไม่สนใจธรรมะไม่อยู่ในกฎในระเบียบวินัยเยาวชนก็เป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็ก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นผู้เยาเป็นผู้เคราเป็นผู้อ่อนร้อยเป็นผู้ขาดวุฒิภาวะขาดจิตสานึกมันค่อยๆโตขึ้นนะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเขาบอกว่าเยาวชนญี่ปุ่นเนี่ยตอนแกนเป็นเด็กเนี่ยความคิดสังคมนิยมทั้งนั้นแหละ แต่ว่าพอโตเป็นหนุ่มขึ้นมาก็เป็นนายทุนสุขัูวอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเพรา ะ, ะความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยคนวัยรุ่นเขาก็สับสนในวิถีชีวิตของเขาเขาก็คิดไปอย่างทําไปอย่างหนึ่งปล่อยปล่อยไปนะฮอบรมแนะนําตักเตือนให้สติกันบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าแกเป็นเยาวชนน่ะแกเป็นต้องแกอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแกก็หาเองโตๆขึ้นไปหน่อยแกก็หาย ข้อต่อไปถามว่าลูกเป็นคนหนึ่งเจ้าค่ะที่มีปัญหาและคิดว่ามันสําคัญพอสมควรคือตอนจบม .6 ลูกเอ็นซานเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้สังที่ลูกก็ตั้งใจอ่านหนังสือพอสมควรลูกท้อแท้เหลือเกินแต่ก็ได้เรียนตามสาขาวิชาที่ตนไม่ชอบลูกทรมานใจเหลือเกินทําไมลูกจะต้องมาฟื้นเรียนสาขกกาหนี้ด้วย ที่ผู้ใหญ่บอกให้เรียนลูกจะทำอย่างไรดีแต่ลูกเคยไปปฏิบัติแบบโครงการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นอบรมเจ็ดวันแต่ลูกไม่เคยทำสมาธิได้สักครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยลูกเป็นคนที่ไม่มีสมาธิใช่ไหมคะ่ะนี่มันเป็นปัญหาที่เรามีความรู้สึกคือวิชาบางอย่างเนี่ยอย่างวิชาระดับสถาบันราชพัฏเนี่ยมันเป็นเรียนถึงปริญญาตรี แต่ที่จริงเราเรียนไปแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาประดับมันไม่ใช่วิชาชีพโดยตรงนะฮะมันเป็นวิชาประดับหมายความเราจบภาสาขาหนึ่งเราอาจจะจบจากครูแล้วเราอาจจะไปเอาดีทางการค้าขายก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเราจบมาทางจบมาทางนิเทศแต่เราอาจจะไปเอาดีทางธรรมากินเรื่องอื่นอาจจะทาสวนทาไรก็แล้วแต่นะฮะมันไม่แปลกอะไรหรอก วิชาความรู้ระดับปัญญาตรีมันส่งเสริมความคิดกวา ม, ส, มส่งเสริมทักษะส่งเสริมมุทิภาวะในด้านต่างๆเมื่อเราเราเรียนไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราต้องการจะไปทงานอื่นเราก็ศึกษาค้นคว้าเอาแบ่งหาความรู้เอาประเดี๋ยวก็ทําได้นะมันไม่ได้แปกอะไรอย่าไปติดใจในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็อย่ารู้สึกวอกฝืนคือต้องพยายามปลูกฝังฉันทะวิ ญ, ญาจิตตะวิบังศาลงไปในเรื่องเหล่านั้น มันปัญหาสําคัญว่าทําให้สําเร็จคือเรียนให้สําเร็จสักสกขาขานึงทีนี้ถ้าหากไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องยอมเอ็นทารนใหม่นะเพื่อจะไปเลือกเอาวิชาที่ชอบแต่นั่นก็หมายความว่าเวลาชีวิตก็ต้องเสียไปต้องแก่ไปโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคือคนเรานั้นหนึ่งคือเราอยากได้แล้วก็ได้ตามสิ่งที่เราเราอยากในที่จริงมีน้อยนะฮะ ส่วนมากจากได้แล้วไม่ได้ได้หรือได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งนะบางทีก็ไม่ได้เลยบางทีก็ได้สักครึ่งสักกึ่งนะบางทีก็ได้ตรงกันข้ามแต่เราต้องหาประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ให้ได้ถ้าคนเราทําอะไรสมหวังไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างโลกมันก็ไม่ใช่โลกแล้วนะมันจะเป็นสวรรค์มิมาตไปแล้วเพราะงั้นเดือนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความตั้งใจที่จะ ศึกษาเรงส่วนสมาธิก็หนูทำสมมุติว่าเขาวคราวก่อนเจ็ดวันคราวนี้สมมุติว่าเจดวันอย่างเงี้ยมันก็แค่สิบสี่วันสิบสี่วันนับนาทีก็ไม่กี่นาทีแล้วฮะเพราะว่าสมาธิในแต่ละวันเนี่ยก็นับเป็นชั่วโมงแต่นั่นเองเราทากันเวลาไม่ได้มากเท่าไรเวลาที่เราสูญเสียไปเพราะาจิตใจคิดฟุ้งซ่านสัายเปในเรื่องต่างๆนั่นมากมายเป็นอันเอ็กกันนั่นเพราะงั้นในเรื่องเหล่านี้จึงต้อง พยายามเพิ่มอิทธิบาททั้งสี่ประการขึ้นมาแล้วก็ก้าวหน้าไปให้ได้อย่าไปท้อถอยกับปัญหาประสาทเล็ ก, ลกนๆน้อยๆนะอายุอย่างน้อยกันอยู่นี่อายุก็แถวๆนี้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเนี่ยอนาคตยังไปอีกไกลมันไม่ต้องกลัวหรอกคนเราประสบความสำเร็จไม่ใช่ในสายงานที่เราเรียนมานี่มีเยอะไปเวลาโกรธจะทำอย่างไรให้สงบก็ถามว่ามัน โกรธใครแล้วกโกรธไปทําไมโกรธไปแล้วนะมันได้ประโยชน์อะไรคนที่โกรธมันดียังไงเราลองดูคนที่โกรธแล้วก็แสดงอาการกิยาท่าทางในลักษณะที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยสมมุติเราถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยมันก็ดูแล้วก็ไม่น่าดูอะไรเพราะฉะเราเองเราก็อย่าไปใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามเขาตามคนที่เขาโกรธแล้วก็ มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวภายในใจในที่สุดมันก็จะบรรเทาความโกรธลงไปได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือมองคนอื่นด้วยความเมตตาด้วยการให้อภัยด้วยการอดทนด้วยการรอคอยตามสมควรนะฮะโกรธเขาเนี่ยเราร้อนนะฮะเขาไม่ได้อะไรขึ้นมาคือเขาก็ไม่เสียอะไรแต่เรานั้นก็เกิดเผาลนจิตใจของเราเองนี่ยเกิดความรล่าร้อนทุกทรมานไปด้วยประการต่างๆมันมัน ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกเราชะนะใจตัวเองให้ได้นะฮเดี๋ยวคิดชะนะคนอื่นหรชะนะคนอื่นมันกาะเวรเกาะ ก, กรรมเปเราชะนะใจตนเองมันสงบเวรสงบภัยสงบอันตรายสงบกรรมเอ่อข้อต่อไปถามว่าความบ้างเปล่าระหว่างทำสมาธิข้อดีข้อเสียอย่างไรและมนุษย์เกิดจากธาตุทั้งสี่หรือไม่อย่างไร ่ความว่างเปล่านั้นมันก็อยู่ที่ว่าความว่างเปล่าอะไรคือต า, ตามปกติมันว่างเปล่าไม่ได้ะนะมันต้องมีอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยจิตมันต้องมีเเรียกว่าเจตสิกเข้ามาปรุงแต่งมันอาจจะสงบมันอาจจะเฉยมันอาจจะสุขมันอาจจะสงบจากความมาฆาตพยาบาทถ้าสงบจากกิเลสเนี่ยก็ใช่ก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าว่างเฉยๆนี่มันเป็นไปไม่ได้ะนะ มันต้องมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นอุเบกขาก็ได้นะอาจจะเป็นสมาธิก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพยายามรักษาเอาไว้รักษาอาการเหล่านั้นเอาไว้จิตใจเราก็จะมีความสงบสูงขึ้นแต่ส่วนมนุษย์ที่จริงเกิดจากธาตุหกนะไม่ใช่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณนเะพราะดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยมันก็สิ่งทั้งหลายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศทั้งนั้นนะ แต่ไม่มีใจครองมันก็เป็นคนขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการเป็นคนมันก็ต้องอาศัยมีใจคือวิญญาณาธาตุผสมอยู่ด้วยเวลาเรียนในห้องก็ไม่รู้เรื่องไม่มีสมาธิในการเรียนในเวลาที่นั่งสมาธิก็ไม่สามารถรวมสติได้คือจิตฟุ้งสัน้นท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไรจึงจะเรียนรู้เรื่องและมีสมาธิหลักการสาคัญนั้นก็คือว่า เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนคนอื่นเราก็มีหนึ่งหัวหนึ่งตัวสองมือสองเท้าเหมือนกันค น, คนอื่นก็มีหนึ่งหัวหนึ่งตัวสองมือสองเท้า đó, ด้วยกันวันวก็ต้องพยายามที่จะเรียนให้ได้คนอื่นก็เรียนได้เราก็ต้องทำได้แล้วก็ใช้ความพยายามมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเอาให้ได้อาจจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นก็ต้องพยายามให้ทันกับคนอื่นอาจจะต้องเพิ่มเวลานะ แต่ก็ต้องทานกับคนอื่นแล้วก็มีสติระลึกรู้รลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดระลึกทานขณะทำขณะพูดขณะคิดแล้วนึกออกหลังจากได้ทำได้พูดได้คิดไปแล้วแล้วก็มีจิตใจนหนักแน่นมันคงอยู่กับเรื่องเดล่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องคิดทุกเรื่องที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสแล้วก็พยายามที่จะให้ผสมกลมกลืนกับเนื้อหาวิชาต่างๆที่เราเข้าไปศึกษาเราเรียนอยู่ในขณะนั้นๆ ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องเรียนไม่ดีนะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีสมาธิลงไปได้ลักษณะที่กล่าวเนี่ยเขาอินรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่ถ้าเราเทียบการศรึกษาก็คือความพร้อมนะครความพร้อมจะอ่านความพร้อมจะเรียนความพร้อมจะเขียนความพร้อมจะคิดความพร้อมจะทดสอบพร้อมจะลงมือประพฤปฏิบัติพร้อมจะตอบคาถามอะไรต่างๆนี่เป็นอาการดังหนึ่งในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ซึ่งเราจําเป็นจะต้องมี คนเรานั้นสูญเสียอย่างหนึ่งคนไทยนั้นอ่อนแออย่างหนึ่งคือไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจชอบใช้ไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจนี่ชอบใช้จริงไม่รู้ต้องรู้ไม่ได้ต้องได้ไม่เป็นต้องเป็นไม่เข้าใจต้องเข้าใจมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทนทานที่จะปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้สาเร็จดูล่วงไปได้ด้วยดีขอให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงไว้เถอะแล้วก็ ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะผ่อนคลายลดละผ่อนคลายจางคลายลงไปได้เองท่านฟังทั้งหลายใต้รมประโพธิยาในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี